รวมวที่มีในเสขียกัน 1. ปริมันดละวักหมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเป็นปริมณฑน 2. ออุดชักคิกาวรคหมวดว่าด้วยการหัวเระาะ 3. คมขัภกตะวักหมวดว่าด้วยการเท้าสเอว 4. ่ิป็นดะปาตะวักหมวดว่าด้วยบินทะบาท 5. กะพรวัก หมวดว่าด้วยคาข้าว 6. สุรุสุรุวัคหมวดว่าด้วยการฉันดังสุดส 7. ปาทุกาวัคหมวดว่าด้วยเขียงเท้ากัตถปัญญาติวาระในมหาวิพังจบ